ทนี้ต่อไปก็พุทธอุปถากทั้งหลายในข้อ8พระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูทั้งหลายภิกษุผู้อุปถาคของพระผู้อุปถากชื่อว่าอาโศกะพระอโศกเนี่ยนะชื่อว่าอโศกอโศกะก็คือพระอโศกอ่แะแปลว่าพระที่ไม่โศกไม่เสียใจเป็นอัคราอุปถากของพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัสมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีดูก่อนพิสูทั้งหลายพิกษุผู้อุปถาคชื่อว่าเคมังกระ เ ป, UK, ปเป็นอักขระอุปถากของพระผู้มีพระภาคอรหันต์ตัสมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพิกษุผู้อุปถาชื่อว่าอุปสัมตะเป็น of of you, อักขระอุปถาของพระผู้มีพระภาคอรหันต์ตัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าเวสภูดูก่อนพิสูุทั้งหลายภิกษุผู้อุปถากชื่อว่าวุฒิชะเป็นอักขระอุปถากของพระผู้มีพระภาคอรหันต์ตัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า กุสัมทะดูก่อนพิสูุทั้งหลายภิกษุผู้อุปถาชื่อว่าโสติชะเป็นอักขระอุปถากของพระผู้มีพระภาคอาหันตัสสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมาณะดูก่อนพิสูุทั้งหลายภิกษุผู้อุปถาชื่อว่าสัพมิตะเป็นอักขระอุปถาของพระผู้มีพระภาคอาหันตัสสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะดูก่อนพิสูุทั้งหลายภิกษุผู้อุปถา ชื่อว่าอานนท์ได้เป็นอักขรอุปถากของเราในบัดนี้นะนะก็มาถึงพระอานนท์ผู้เป็นพุทธอุปถากรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธอุปถาเนี่ยนะท่านบอกว่าช่วงยี่สิปีแรกปรถมโพธิการหมายว่าช่วงยี่ปีแรกพระผู้มีพระภาคนั้นดํารงพระชนอยู่ในฐานะพระพุทธเจ้าสี่ิบห้าปียี่สปีแรกนั้นไม่มีอุปถาประจํานะี่สิปีแรก เพราะอะไรเพราะบางคราวท่านพระนาคสมาละถือบาทและจีวรตามเสด็จบางคราวพระนาคิตะเป็นอุปถาบางคราวพระอุปวานอุปถากบางครั้งพระสุนัขสุนัตะลิชวิบรอุปถาบางครั้งพระจุนทสมณุเทศน้องชายพระสาริบรอุปถาบางครั้งพระสาคตะอุปถากบางครั้งพระเมคิยะอุปถากก็มีอุปถาที่ไม่ประจา สมัยโพธิการนะนะประถมพโพธิการคือช่วงหลังจากตรัสรู้จนถึงอตอนที่พระองค์ได้20พรรษานะยีปีแรกนั้นอุปถัมภ์ไม่ประจํายกตัวอย่างท่านท่านา น, นาคาสมมาละเป็นตัวอย่างว่าท่านเหล่านั้นไม่คืออุปถัมภ์พระพุทธเจ้าดีจริงละแต่ว่าก็ไม่ดีพอไม่คู่ควรที่จะเป็นอัครอุปถัมภ์นะคอยที่คอยปรนนิบัติรับใช้พระพุทธเจ้านะ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 พระ อ, องค์ไม่ไปกับข้าพระ อ, องค์ก็ถวายบาตรถวายจีวรพระ อ, องค์กันแล้วกันโทษฐานไม่เชื่อลูกศิษย์เนี่ยนะครลูกศิษย์ก็ต้องถวายบาตรถวายจีวรอาจารย์อนะไ่างนั้นเี น, นี้ขนาดกั บ, พ, h, บกพระพุทธเจ้านะบอกเออพระพุทธเจ้าไม่ไปกับข้าพระองค์ข้าพระองค์ก็ถวายบาตรถวายชีวรพระองค์ไปกันแล้วกันพเพราะฉะนั้นข้าพระองค์ก็จะไปตามทางของข้าพระองค์อย่างนั้นนะก็เลยถ้าพระพุทธเจ้าไม่หยิบ น, นะท่านทําท่าจะวางบาตรจีวรไว้กับพื้นด้วยนะ ถือว่าใจไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยเตรียมวางบาดจีวรลงบนพื้นดินครั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสกับพระนาคาสมาลนั้นว่านํามาเถิดภิกษุเอามาเอามาอย่าถึงก็วางอย่างนั้นเลยนะองก็รับมาเนี่ยนะเสร็จแล้วพระนาคาสมาลก็ไปอีกทางหนึ่งก็เดินไปเลยแหละพวกโจรก็เลยชิงเอาบาดจีวรไปก็ตีศีรษะซะแตกหมดนะพระนาคาสมาคมก็คิดว่า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 ไม่ฟังนะถึงขนาดก็ตั้งใจจะถวายบาปจีวรถ้าพระพุทธเจ้าตรัสมากกว่านั้นอีกท่านอาจจะเปื้อนบาปมากกว่านั้นคือโกรธใครก็ช่งเถอะอยากโกรธพระพุทธเจ้าอย่างเดียวพอพระองค์ไม่ทําให้เขาเนี่ยโกรธพระพุทธเจ้าผงจะไม่ทําตัวให้เขาเกลียดพระองค์หรืออะไรไม่นั้นก็ไปตามทางของเธอกระไรกันจะถูกทุบหัวแตกมาก็เออดีก็ถ้าอย่างนี้เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วมัน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 อัครอุปทาแต่ถ้าเป็นองค์อื่นๆเนี่ยนะไม่เราว่าไม่รู้อัธยาศัยเรียกว่าคนไม่รู้ใจเพราั้นพูดถึงกรณีพระเมขิยะบ้างบางคราวพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปยังชันตุคามใน ว, มวังสะมรึกขายาวัดานด้านทิศประจีนกับพระเมขิยะเถระณที่นั้นพระเมขิยะไปบิณฑบาตในชันตุคามก็ไปเห็นสวนมะม่วงที่น่ารื่นรมใจใกล้ฝั่งแม่นาม้า เสร็จแล้วก็มากลับมากราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระองค์ทรงรับบาปและจีวรของพระองค์ไปเถิดส่วนข้าพระองค์จักบำเพ็ญสมณธรรมที่สวนมะม่วงนั้นนะโอ้นิมนเถอะพระองค์จะเสด็จไปไหนก็นิมนแต่ข้าพระองค์ขอลีกเร้นเจริญกรรมฐ า, านอยู่ณที่นี้ก่อนละกันพระพุทธเจ้า ห, าห้ามสามครั้งนะยาเลยเมกิยะเธอจงรอให้ภิกษุอื่นมาก่อนเมื่อมีภิกษุอื่นมาก่อนแล้วเธอค่อยไป แล้วท่านก็บอกท่านก็พูดเนบนะพระ อ, องค์ทํากิจเสร็จแล้วอ่ะข่าพระ อ, องค์ยังทํากิจไม่เสร็จเพราะฉะนั้นข่าพระ อ, องค์เรต้องไปเอาเราจะไปว่าอะไรเธอผู้ที่อ้างว่าจะบําเพ็ญเพียรทั้าก็ไปไปที่ไหนได้ก็ทัวอกุศลวิตกเล่นงานไม่ได้กรรมฐานอะไรรอกกร ม, มาวิตกบัง่งพยาบาทวิตกบ้างไปนั่งกิจเป็นอากุศลเสร็จแล้วก็กลับมาทูลเรื่องนั้นให้พระพุทธเจ้าทราบ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 คือพระนร น, นี้อุปถักอยู่25ปีคือนับตั้งแต่วันพูดเนี่ยถัดนั้งไป25ปีพระ น, นนไม่เคยห่างดุดเงาติดตามตัวพระค์ก็บอกว่าตอนนั้นพอองษ์อายุพระชนม า, ายุ50กว่าแล้วผมก็บอกว่าบัดนี้เราเป็นผู้แก่ภิกษุบางรูปเมื่อเราบอกว่าจะไปตามทางนี้กันเถิดก็ได้หลีกไปเสียทางอื่นบางรูปก็วางบาตรและจีวรของเราไว้บนพื้น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 นะข้าพระองค์นั้นเป็นผู้มากไปด้วยปัญญาเพรา ะ, ะนั้นข้าพระองค์นั้นเหมาะสมที่จะอุปถากพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสห้ามว่าห้ามภาษาสาริบุตรว่าอย่าเลยสาริบุตรเธออยู่ในทิศใดทิศนั้นไม่ว่างเปล่าทีเดียวโอวาทของเธอเหมือนกันกับโอวาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพราะฉะนั้นเธอไม่ต้องทําหน้าที่อุปถักเรา เพราะฉะนั้นเธออยู่ที่เธอคือพระสารีบุตรไปที่ไหนก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นั้นอยู่แล้วถ้าหากว่าควรที่จะกระจายแล้วได้รับประโยชน์มากกว่าก็กลับมารวมกันเพราะฉะนั้นกระจายออกไปเถอดจะได้ช่วยสงเคราะห์สัตว์ทั้งหลายทีนี้ภาษาวกมหาสาวกหรือที่เรียกว่าอสีติมหาสาวกแปดสิบรูปที่เหลือตั้งแต่พระโมกขลานะก็ลุกขึ้นมาเพื่อที่จะมาของอุปถัม พระพุทธเจ้าก็ห้ามสาวกเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะนะเหลือแต่พระอา น, นุลรูปเดียวเท่านั้นอะที่เป็นพระมหาเถระนั่งอยู่ณนะบริเวณนั้นแล้วไ ม, ไม่ไม่อะไรนะนั่งนิ่งอย่างเดียวไม่พูดพระอ น, นุนี่บวชมานานนะพรรษาท่านเนี่ยเกือบยี่สิบพรรษาแล้วเนี่ยนะเพราะท่านบวชหลังที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แค่ปีเดียวเนี่ยนะนะท่านก็นั่งนิ่ง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 หากพระองค์จักพอประทยัยพระองค์ก็จักบอกว่าอนุนจงอุปถากเราก็คือสุดแท้แต่ความประสงค์เถอะทําไมพระนนยังกล้าพูดแบบนี้คือถ้าไม่มีใครอุปถากพระนรย์จะคอยอุปถาคือตลอดอยู่แล้วคือพระนนรย์จะคอยสังเกตดูถ้ามีใครอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่แล้วท่านก็ออกขังห่างแต่ถ้าไม่มีใครอยู่ท่านก็จะเข้าไปอุปถากถ้ามีองค์อื่นอยากจะมาอุปถากอีกท่านก็ถอยให้แล้วก็เปิดโอกาสให้คนอื่นอุปถากลักษณะนี้มาตลอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้น ท่านยังพูดอย่างนี้ว่าพระ อ, องค์ไม่เห็นเราหรอกหรื อ, อนะนะหมายเขาว่าก็ก็เข้าเข้าเข้าออกอ อ, ก อ, อ, กอุปถาค์อยู่แล้วเนี่ยถึงกับต้องขออนุญาตอุปถากอย่างนี้มันก็แม้เหมือนกับว่าพระ อ, องค์ไม่เห็นเราอย่างนั้นแหละพระ อ, องค์ก็เลยตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอานนท์ไม่ควรให้ผู้อื่นส่งเสริมเพราะอะไรเพราะอานนท์จักรู้ด้วยตัวเองแล้วอุปถากเราคือท่านรู้กําลังของท่านท่านรู้ว่าเวลาไหนเหมาะสําหรับท่าน เพราะฉะนั้นพิสูจทั้งหลายก็กล่าวบอกท่านพระอนนท์ว่าท่านอนนท์ลุกขึ้นเถิดจงกราบทูลขอตําแหน่งอุปถักตกับพระโทษสพลคือเนื่องจากคําว่าอานนท์เนี่ยพุทธพจน์ที่บอกว่าอานนท์ไม่ควรให้ผู้อื่นส่งเสริมจักรู้ด้วยตนเองแล้วอุปถักต์เราก็แปลว่าพระพุทธเจ้าเปิดทางให้แก่พระอนนท์แล้วเนี่ยเท่ากับอนุญาตเป็นในในแล้วพังพิสูจนท่้งหลายก็เลยเตือนพระอานนท์พระอนนท์ก็ลุกขึ้นกราบทูลขอพรแปดประการขอพรก่อนนะ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 พระพุทธเจ้าก็ถามว่าดูก่อนอนอน์ก็เธอเห็นโทษอะไรในข้อนี้ทาไมจึงจึงเห็นจะต้องเห็นโทษสักอย่างหนึ่งแน่นอนนะจึงถึงขนาดว่าห้ามไม่ให้ตัวเองไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้พระนนท์ก็บอกตรงตามตรงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหากข้าพระองค์จักได้สิ่งเหล่านี้หมายคืาว่าจีโอนก็ประนีตบินทบาทก็ประณีตกุฏิอยู่ที่เดียวกันไปรับแต่กินนิมนต์กับพระพุทธเจ้าตลอด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 ข้หาแบบนี้ความผิดไม่ได้อยู่กับพระนนทอยู่กับคนที่ข้อหาท่านก็สงสารคนอื่นนะนะกลัวคนอื่นเขาจะเปื้อนบาปท่านก็เลยขอขออนุญาตก่อนว่าขอพระองค์จะได้ประทานพรเหล่านี้เลยเสร็จแล้วพระองค์ก็อนุญาตนะนะเสร็จแล้วพระองค์ก็ถามพระนนท์ถึงข้อขอร้องว่าพระนนทขอขอร้องอีกสี่ข้อพระนรินทก็กราบทูลข้อขอร้องนะนะขอขอร้อ ง, นะออรองพระพุทธเจ้าว่าสงเคราะห์ข้าพระองค์สี่ข้อนี้ด้วยเถิด สี่ข้อก็คืออะไรหนึ่งหากพระผู้มีพระภาคเจ้าจักเสด็จไปสู่ที่นิมนต์ที่ข้าพระองค์รับเอาไว้แล้วคือถ้าพระพูทธเจ้ารับกิจนิมนต์ข้าพระองค์ไม่ไปถ้าหากข้าพระองค์รับกิจนิมนต์ขอนิมนต์พระพูทธเจ้าไปด้วยอนไข้อสองหากข้าพระองค์จักได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะที่บริษัทมาจากภายนอกแคว้น ภายนอกชนบทเพื่อจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ามาถึงแล้วหมายค่ะว่าถ้าใครมาจากที่ไกลมาหาพระอานนท์พระอานนท์มีสิทธิ์พาคนเหล่านั้นไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเวลาไหนก็ได้ที่พระอานนท์ต้องการแต่ไม่ใช่ว่าพระอานนท์จะไม่รบกวนพระองค์พระอานนท์เป็นกาลันยูนะพระอานนท์รู้ว่าเวลาไหนจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าได้เพราะฉะนั้นแต่ว่าท่านมีมีสิทธทิ์ที่จะพากลุ่มภิกษุภิกษุณีหรือใครก็ได้เข้าไปเฝ้า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 ข้าพระองค์ขอร้องสี่ข้อนี้ถ้าพระองค์อนุญาตข้าพระองค์ก็จักอุปถากพระผู้มีพระภาคเจ้า